ถึงเคล็ดลับของอัลเลาะห์ในการชี้แจงแก่พวงบ่าวของพระองค์แนวทางแห่งความดีและความชั่วบทนี้ได้ตักเตือนชาวมักกะห์ถึงการลงโทษของอัลเลาะห์และการจัดการของพระองค์แก่ผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆและรอซูลของพระองค์และได้เตือนพวกเขาให้ทราบถึงไฟนรกอันร้อนแรงบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตัวอย่างของผู้ศรัทธาที่ดีซึ่งบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาไปในทางที่ดีเพื่อขัดเกลาตัวของเขาและปกป้องตัวเอง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 เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดายว่าอัมมามันบะขิลวัสตัฆนาวะกัซซะบะบิลหุสนาฟะซะนัยยัสซิรุฮูลิลอัสรอและส่วนผู้ที่ตระหนี่ถือว่ามีพอเพียงแล้วและปฏิเสธสิ่งที่ดีงามเราก็จะให้เขาได้รับความยากลําบากอย่างง่ายดายวะมายุซลีอังฮุมาลุฮูอิซาตัรดะ และซัมซุบัดของเขาจะไม่อํานวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกลงไปในนรกอินนาอะลัยนาลัลฮุดาวะอินนาละนาลัลอาคิเราะตุวัลอูลาถ้าจริงหน้าที่ของเรานั้นคือการชี้แนะทางนําและถ้าจริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเราฟะอัรกุชุคุมนารันตัลซาดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟอลุคโชน لا يصلها الا الا الشقي الذي كذب وتولى ما يبيء بحدي เข้าไปในนั้นนอกจากคนเลวซามที่สุดคือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้ و سيجن بها الاتقى لا ส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน الذي يؤتي ما له يتزكى ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง والذي เขเขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน الا ذات وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى นอกจากว่าเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้พิบาลของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น แล้วเค้าก็จะพึงพอใจ